จเจริญพรท่านผู้มีจิตศรัทธามีจิตเมตตากรุณาทุกๆ ท, ท, ท่านวันนี้เป็นวันเสาร์ที่28กุมภาพันธ์พุทธศักราช2552เป็นวันที่ท่านทั้งหลายได้ตั้งใจมาวัดเพื่อมาบำเพ็ญ มาปฏิบัติภารกิจของพระาศาสนาที่พระบรมศาสนาได้สมมอบไว้ให้เพื่อประโยชน์สุดที่แท้จริงคือความสุขที่แท้จริงและทรัพย์ที่แท้จริงซึ่งอยู่ภายในใจของเรานี้เองไม่ได้อยู่ภายนอก ทรัพย์ภายนอกความสุขภายนอกไม่ได้เป็นทรัพย์ที่แท้จริงไม่ได้เป็นความสุขที่แท้จริงเพราะมันไม่เที่ยงแท้แน่นอนมันไม่จรรย์ถาวรได้ทรัพย์มาก็หมดทรัพย์ได้ได้ความสุขมาก็หมดความสุขได้ต่างกับความสุข ที่ได้รับภายในใจที่เกิดจากการทําความดีเกิดจากการละการกระทั่บาเกิดจากการชําระจิตใจให้สะอาดหมดจดเพราะจิตใจจะมีความสงบเมื่อจิตใจมีความสงบแล้วก็จะมีความสุขปรากฏขึ้นมาเป็นความสุขที่เลิศ กว่าความสุขทั้งหลายในโลกนี้เป็นสิ่งที่มีคุณค่าเป็นทรัพย์ที่มีคุณค่ายิ่งกว่าทรัพย์อื่นๆทั้งหลายในโลกนี้ถ้าผู้ใดได้พบกับความสงบสุขของจิตใจแล้วจะไม่มีความหิวความอยากความต้องการสุขภายนอกและทรัพย์ภายนอกเลย พอรู้แล้วว่าทรัพย์ภายนอกและความสุขภายนอกนั้นไม่ได้เป็นของแท้นั่นเองได้มาก็ได้มีความสุขเพียงเดี๋ยวเดีย ว, ยวหลังจากนั้นก็จากหายไปทรัพย์ที่มีอยู่ทัพวันหนึ่งก็ต้องจากเราไปหรือไม่เช่นนั้นเราก็ต้องจากเขาไป แต่ซับภายในความสุขภายในนี้จะไม่จากเราไปจะอยู่กับใจของเราไปตลอดตราบใดที่เราดูแลรักษาด้วยการบำเพ็ญด้วยการปฏิบัติตามพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าจนถึงจุดที่มันจะอยู่กับเราไปตลอดเมื่อถึง จุดนั้นแล้วเราก็ไม่จำเป็นที่จะต้องบำเพ็ญต่อไปเราอยู่เฉยๆเราก็สบายมีแต่ความสุขมีทรัพย์อันประเสริฐที่ทำให้เราไม่หิวไม่อยากไม่ต้องการทรัพย์ต่างๆอีกต่อไปนี่คือผลงานของการปฏิบัติตาม พราะรมคำสอนของพระพุทธเจ้าอย่างที่พวกเราได้มาบําเพ็ญกันอย่างสม่าเสมอเริ่มต้นด้วยการเสียสละเพราะการที่เราจะได้สมบัติที่เลิ่ที่วิเศษความสุขที่เลิ่ที่วิเศษภายในใจเราต้องสละทรัพย์ภายนอกสมบัติภายนอกเราต้องสละความสุขภายนอก ไม่ฉะนั้นเราจะไม่สามารถได้ทรัพย์ภายในได้ความสุขภายในเพราะมันเป็นสิ่งที่เราไม่สามารถเอาทั้งสองอย่างได้เหมือนกับเวลาที่เราแต่งงานเราจะรักพี่เสียดายน้องไม่ได้เราต้องเลือกเอาสักคนหนึ่งถ้าจะเอาพี่ก็ต้องตัดน้องไป ถ้าจะเอเน้องก็ต้องตัดพี่ไปฉนันใดถ้าเราต้องการความสุขที่แท้จริงความและต้องการสมบัติที่แท้จริงเราก็ต้องตัดความสุขที่ไม่แท้จริงไปเราต้องตัดทรัพย์ที่ไม่แท้จริงไปทรัพย์ที่ไม่แท้จริงความสุขที่ไม่แท้จริงก็เป็นสิ่งที่อยู่ภายนอกใจเรา เช่นลาบรถสารเสวนสุดนี่เองลาบคือเงินทองมีมากมายเท่าไรก็ไม่ได้เป็นเงินทองที่แท้จริงเราสมมุติกันขึ้นมาว่ามันมีค่าอย่างนั้นมีค่าอย่างนี้แต่มันไม่สามารถไปหลอกใจของเราได้ไม่สามารถทําใจของเราให้มีความอิ่มมีความพอไม่ต้องการอะไรอีกได้ ดังนั้นเราต้องทำความเข้าใจให้ให้แน่ใจว่าทรัพย์ต่างๆภายนอกหรือความสุขต่างๆภายนอกนี้มันไม่ได้เป็นของแท้มันเป็นของที่หลอกใจเราให้หลงติดอยู่และเมื่อเราติดแล้วเราก็ต้องทุกทรมานไปกับทรัพย์เหล่านี้กับสมบัติเหล่านี้ กับความสุขเหล่านี้ไม่ว่าเราได้อะไรมาเราจะต้องทุกกำมันทันทีมีอะไรแล้วก็ต้องห่วงต้องห่วงต้องกังวลเช่นมีแฟนก็ต้องห่วงแฟนห่วงแฟนกังวลเวลาไม่เห็นหน้าแฟนไม่รู้ว่าไปทำอะไรเกิดอะไรขึ้นมาหรือไม่แต่ถ้าเรา ไม่มีแฟนเราก็ไม่มีปัญหาเรื่องราวเหล่านี้แฟนก็จะไปทำอะไรเราก็ไม่เดือดร้อนเพราะเขาไม่ได้เป็นแฟนของเรานั่นเองนี่คือความทุกข์ที่พวกเรามองไม่เห็นกันและความสุขที่ได้จากแฟนก็ได้เพียงระยะแรกๆเท่านั้นเองที่เรียกว่า ใหม่ๆก็หน้าตาจุ๋มจิม๋มพอเก่าไปก็เป็นสนิมบางทีม้อข้าวยังไม่ทันดำก็เกิดการโกรธเกลียดกันขึ้นมาแล้วอยากจะแยกทางกันเดินแล้วเพราะนี่คือธรรมชาติของสิ่งต่างๆทั้งหลายในโลกมันเป็นอย่างนี้เวลาที่เราได้มาใหม่ๆ เราจะดีอกดีใจชอบอกชอบใจคอยกอดคอยเฝ้าดูแลรักษาอยู่ทุกลมหายใจเข้าออกแต่พออยู่ไปสักระยะหนึ่งแล้วพอเกิดความจำเจเห็นเห็นบ่อยๆเข้าความวิเศษความน่ารักความความน่ายึดถือก็หายไปเพราะ มันเกิดความชินชาและอีกอย่างหนึ่งก็มีการเปลี่ยนแปลงไปของใหม่ก็กลายเป็นของเก่าไปพอไปเห็นของใหม่ก็เลยเกิดความชอบของใหม่ขึ้นมาทำให้เบื่อของเก่าขึ้นมาอีกนี่คือเรื่องของทรัพย์ต่างๆภายนอกความสุขต่างๆภายนอก เป็นอย่างนี้ต่อให้เราหามาได้มากน้อยเพียงไรวิเศษขนาดไหนก็ตามจะได้ดาราภาพยนตรม์มาเป็นคู่ครองก็ดีได้มหาเศรษฐีมาเป็นคู่ครองก็ดีได้ลูกเจ้านายลูกพระลูกเจ้าฟ้าเจ้าแผ่นดินมาเป็นคู่ครองก็ดี มันก็เหมือนกันมันไม่สามารถหลอกใจได้มันหลอกได้เพียงระยะแรกๆท่านั้นเองตอนที่ยังไม่ได้เวลาที่ไม่ได้นี่โอ้ยมันมีแต่คิดมีแต่ฝันอยู่ทุกลมหายใจเข้าออกอยากจะได้มาเป็นของตนแต่พอได้มาเป็นสมบัติของตนไม่นานก็เกิดความเบื่อหน่ายเกิดความชินชา เกิดความรู้สึกอยากจะได้สิ่งอื่นใหม่มาทดแทนและเมื่อได้สิ่งใหม่มาทดแทนก็จะเป็นเช่นเดียวกันได้มาใหม่ๆก็ดี อ, อกดีใจแต่ไปสักระยะหนึ่งแล้วก็เบื่อหน่ายก็อยากจะได้ของใหม่มันเป็นอย่างนี้ไปเรื่อยๆคนบางคนจึงมีสามี หรือมีภรรยาเป็นสิบเป็นน้อยได้แต่งกับคนนี้เบื่อกับคนนี้ก็อยากันแล้วเดี๋ยวก็ไปแต่งกับคนใหม่พอแต่งกับคนใหม่ได้ไม่นานก็เบื่ออีกก็อยากันอีกแต่งใหม่อีกแล้วก็รู้กันอยู่มีข่าวค่าวเกี่ยวกับคนที่มีชื่อเสียงเขามักจะทำอย่างนี้กันเพราะเขามีอานาจ ทางการเงินนั่นเองเขามีเงินที่จะซื้อของใหม่ๆได้เสมอไม่ว่าจะเป็นคนหรือเป็นข้าวของถ้าเขาเบื่อของเก่าเขาก็จ่ายเงินให้คนเก่าไปอย่ากันจ่ายเงินให้เขาไปแล้วก็เอาเงินซื้อคนใหม่มาแล้วพอเบื่อก็จ่ายเงินให้คนเก่าอีกแล้วก็ซื้อมาใหม่อีกเป็นอย่างนี้ไปเรื่อย จะหาความสุขที่แท้จริงไม่เจอจากสิ่งต่างๆทั้งหลายที่มีอยู่ในโลกนี้พราะพุทธเจ้าท่านก็เคยมีมาก่อนพวกเราพราะพุทธเจ้าก็มีทรัพย์สมบัติมากมายมีความสุขมากมายมีปราสาทสามฤดูมีนางสนุมกำนันคอยบำรุงบำเรเลอยู่ตลอดเวลาแต่พระองค์ก็ เห็นว่ามันไม่ได้เป็นความสุขที่แท้จริงอย่างในที่สุดก็เลยต้องสละความสุขต่างๆเหล่านี้สละทรัพย์ต่างๆเหล่านี้เพื่อเอาความสุขที่แท้จริงคือความสุขภายในใจเอาทรัพย์ที่แท้จริงก็คือทรัพย์ภายในใจที่จะเกิดขึ้นจากการบําเพ็ญ เกิดจากการปฏิบัติเพราะพระพุทธเจ้าจึงต้องเสด็จออกจากพระราชฐานและทรงพนวดเป็นสณะนักบวชอยู่แบบขอทานไม่แสวงหาทรัพย์ภายนอกไม่แสวงหาความสุขภายนอกไปอยู่ในป่าในเขาไม่มีเสียงดนตรีให้ฟังไม่มีภาพยนตร์ให้ดู ไม่มีสิ่งบันเทิงต่างๆให้ได้ได้ได้เสษได้ชมมีแต่ความ ส, มสงบสนับวิเวกที่จะช่วยทาจิตใจให้สงบเพราะจิตใจนี้จะสงบได้จะต้องไม่มีสิ่งต่างๆมารบ ก, กวนเช่นรูปเสียงกลิ่นรสผลทพะต่างๆของ โดยเฉพาะของคนและของเข้าของต่างๆเวลาเห็นเวลาได้ยินแล้วใจจะกระเพื่อมขึ้นมาถ้าใจกระเพื่อมอยู่เรื่อยๆก็จะไม่สามารถทำให้มันสงบได้แต่รูปเสียงกลิ่นรสผดพทพะที่อยู่ตามป่าตามเขานี้มันไม่ทำให้จิตใจกระเพื่อมเพราะมันไม่มี <c oughs> เรื่องของคนมาเกี่ยวข้องด้วยไม่มีเรื่องของสมมุติต่างๆมาเกี่ยวข้องมันเป็นธรรมชาติมีแต่ต้นไม้มีแต่ภูเขามีแต่สัตว์ชนิดต่างๆดูยังไงได้ยินยังไงก็ไม่ได้ทําให้เกิดมีอารมณ์กับเพื่อนขึ้นมาเวลาจะทําจิตใจให้สงบให้นิ่งก็ทําได้งา่าย ต่างกับเวลาที่อยู่ในบ้านในเมืองที่มีเสียงต่างๆมีรูปสิ่งต่างๆมีกลิ่นมีรสต่างๆมอคอยยั่วยวนกวนใจเช่นจะละไม่ดูหนังไม่ฟังเพลงก็ทำไม่ได้เพราะว่าคนอื่นเขาดูกันเขาฟังกัน เราอยู่ใกล้ๆเขาเห็นเขาดูเห็นเขาฟังเราก็อดที่จะอยากดูอยากฟังกับเขาไม่ได้อยากจะกินอาหารเพียงแค่เที่ยงวันก็ทำยากเพราะคนอื่นเขากินตลอดเวลาหลังจากเที่ยงวันเขาก็ยังกินอยู่ตอนเย็นเขาก็กินตอนกลางคืนเขาก็กินเราจะนั่งสมาธิเห็นเขากินมันก็ เกิดอาจารย์กระสับกระสายเกิดความอยากกินขึ้นมาดังนั้นถ้าเราต้องการพบกับความสุขภายในใจของเราเราก็ต้องสละความสุขภายนอกอย่างที่พระพุทธเจ้าได้ ส, สละหรืออย่างที่นักบวชทั้งหลายได้สละกันที่เขาบวชกันนี้ก็เพื่อที่จะหนีจากความสุข ทางโลกนั่นเองความสุขที่พวกเราแสวงหากันอยู่นี้ท่านเห็นว่ามันไม่ใช่เป็นความสุขที่แท้จริงมันเป็นเหมือนกับเหยื่อที่ติดอยู่ปลายเบ็ดถ้าไม่ฉลาดไปฮุบเหยื่อเข้าก็จะต้องถูกเบ็ดเกี่ยวที่ปากเช่นปลาที่ไปฮุบเหยื่อฉันใดถ้าเราไปยินดีกับความสุข ทางตาหูจมูกลิ้นกายเราก็จะถูกสิ่งเหล่านี้เกี่ยวทำให้เราต้องมีสิ่งเหล่านี้มาคอยบำรุงบำาเลอยู่เรื่อยๆวันไหนถ้าไม่ได้เสงไม่ได้สัมผัสกับรูปเสียงกลิ่นรสชนิดต่างๆเราก็จะรู้สึกหงุดหงิดเศาซ้อยหงอยเหงาลองคิสูจน์ดูก็ได้ถ้าไม่เชื่อ เช่นเราชอบเดืนมอะไรเป็นประจำกาแฟหรือเครื่องดื่มที่มีรส ห, หวานหวานลองหยุดสักวันหนึ่งดูว่าวันนี้จะดื่มแต่น้ำเปล่าอย่างเดียวดูสิว่าจะรู้สึกอย่างไรจะรู้สึกหงุดหงิดลำคาญใจขึ้นมายิ่งถ้าเคยดื่มสุรายาเมาพอไม่ได้ดื่มแนละ้วนี่จะกระอกกรวนใจจ ะ, จะ จะกินไม่ได้นอนไม่หลับจะมีความรู้สึกเศร้าส้อยหงอยเหงาขึ้นมาทันทีนี่เป็นเพราะฤทธิ์ของของสิ่งเหล่านี้ที่เราไปติดกับเขานั่นเองแต่คนที่ไม่ติดสิ่งเหล่านี้เขาไม่เดือดร้อนเขาไม่มีสิ่งเหล่านี้ดื่เขาก็ไม่เดือดร้อนอะไรคนที่ไม่ติดสุรายาเมาเขาไม่เดือดร้อนเวลาไม่มีสุรายาเมาดื่ไม่รู้สึกอะไรเฉยเฉยน แต่คนที่มีที่ติดเรื่องเหล่านี้แล้วจะต้องมีความรู้สึกไม่สบาย อ, อกไม่สบายใจขึ้นมา ท, าทันทีหรือการที่เราชอบออกนอกบ้านไปเที่ยวตามสถานที่ต่างๆก็เช่นเดียวกันถ้าวันไหนเรามีเวลาว่างอยู่บ้านเฉยๆไม่ออกไปข้างนอกเราจะรู้สึกหนวดเหงิดใจขึ้นมา จะรู้สึกว้าเวยเศร้าซ้อยหน่อยเหงาแต่พอเราได้ออกไปข้างนอกเราก็จะรู้สึกมี อ, อกดีใจมีชีวิตชตีมีชีวิตชีวาขึ้นมาทันทีแต่พอเรากลับมาที่บ้านเราก็กลับมาเศร้าซ้อยหน่อยหเหงาเหมือนเดิมบ้านเราจึงไม่ใช่เป็นที่เราอยู่กันส่วนใหญ่บ้านเป็นเพียงที่เรากลับมาอาบน้ําอาบท่า มาหลับนอนมารับประทานอาหารเท่านั้นพอเราทําเสร็จกิจเหล่านี้แล้วเราก็จะต้องออกไปหาความสุขภายนอกอยู่เรื่อยๆทำมาตั้งแต่เราเกิดจนถึงวันนี้แล้วเราก็ยังไม่เคยถึงเมืองอิ่มเมืองพอสักทีเพราะว่ามันไม่ใช่เป็นความสุขที่แท้จริงนั่นเองส่วนความสงบสุข ที่เกิดภายในใจนี้ถ้าเราได้มาแล้วเราจะรู้สึกอิ่มเอิบใจรู้สึกพอใจเราจะไม่หิวไม่อยากกับอะไรอยู่บ้านเฉยๆก็มีความสุข ด, ดื่มน้ำเปล่าๆก็มีความสุขไม่ต้องดื่มกาแฟไม่ต้องดื่มน้ำอัดลมชนิดต่างๆไม่ต้องรับประทานขนมจุกจิกตลอดเวลา นี่แหละเราต้องพยายามคิดพยายามแยกแยะให้ออกให้รู้ว่าอะไรเป็นคุณอะไรเป็นโทษกับเราไม่เะนนั้นชีวิตของเราก็จะติดอยู่กับสิ่งที่เป็นโทษเราก็จะมีแต่ความทุกข์อยู่ตลอดเวลาเพราะเราจะต้องคอยป้อนใจของเรา ต้องหาสิ่งต่างๆมาบำรุงบำเลออยู่เรื่อยๆแล้วเมื่อถึงเวลาที่เราไม่สามารถจะทำได้เช่นเราไม่มีเงินทองหรือร่างกายของเราไม่มีกำลังวังชาพอที่จะไปหาความสุขต่างๆได้เราก็จะอยู่บ้านอย่างเศร้าส้อยหงอยเหงาอยู่อย่างว่าวเวยอยู่อย่างมีความทุกข์ แต่ถ้าเรามันสร้างความสุขภายในใจขึ้นมาอยู่เรื่อยๆด้วยการเสียสละด้วยการตัดความสุขทางภายนอกมีเงินทองแทนที่จะเอาเงินทองไปซื้อความสุขก็เอาเงินทองไปทาบุญเอาไปช่วยเหลือคนอื่นก็จะทำให้ใจของเรามีความสุขมีความสงบและจะทำให้เรา ไม่ต้องไปเอาเงินทองนี้ไปซื้อความสุขอยู่เรื่อยๆพอทุกครั้งที่เรามีเงินทองเราก็เอาไปทําบุญเอาไปช่วยเหลือคนอื่นต่อไปเราก็จะไม่คิดที่จะไปหาความสุขจากสิ่งต่างๆไม่ต้องเสียเงินไปซื้อสิ่งต่างๆมาบํารุ่มบาเรอต่อไปเวลาเราไม่มีเงินทองเราก็จะไม่เดือดร้อน เราอยู่บ้านเฉยๆได้และเราจะมีความสุขมากกว่าออกไปนอกบ้านเสียอีกเพราะเวลาออกไปนอกบ้านแต่ละครั้งนี้ก็ต้องลำบากหลายอย่างด้วยกันต้องอาบน้านอาบท่าแต่งเนื้อแต่งตัวแล้วก็ต้องมีรถหรือต้องขึ้นรถเมล์หรือขึ้นรถแท็กซี่พาเราไปตามสถานที่ต่างๆ เวลาเดินทางก็เสียเวลาเพราะต้องนั่งติดอยู่ในรถรถกว่าจะไปถึงที่ได้บางทีก็เหนื่อยเสียแล้วอยากจะกลับบ้านเสียแล้วนี่แหละเป็นความทุกข์ต่างๆที่เรามองไม่เห็นกันจากการที่เราไปแสวงหาความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆนี้เองดังนั้นขั้นแรกเราต้องพยายามละ ความสุขต่างๆให้ได้และทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองอย่ามีเงินทองมากเกินความจำเป็นมีไว้เท่าที่มีความจำเป็นต่อการดูแลรักษาชีวิตร่างกายของเราก็พอแล้วถ้ามีมากกว่านั้นให้เอาไปทำบุญให้ทานเสียเพราะไม่เช่นนั้นเดี๋ยวก็จะเอาไปซื้อของมาบำรุงบำเลอให้ความสุข เราก็จะติดก็ะจะต้องหาเงินมาซื้ออยู่เรื่อยๆแต่ถ้าเราไม่ใช้เงินซื้อความสุขแล้วต่อไปเราก็ไม่ต้องหาเงินหาทองเราจะมีเวลาหาความสุขภายในใจของเราได้มากขึ้นเพราะนอกจากการสละความสุขภายนอกแล้วเรายังต้องมากล่อมใจให้สงบให้ได้ พอใจนี้อยู่เฉยๆมันไม่สงบมันเหมือนรถที่วิ่งลงเขามันจะวิ่งอยู่เรื่อยๆมันจะไม่หยุดของมันเองใจของเราก็เหมือนกันมันเป็นเหมือนรถที่วิ่งลงเขามันชอบคิดอยู่เรื่อยๆวันๆหนึ่งนี่มันไม่เคยหยุดคิดเลยและถ้ามันไม่หยุดคิดใจก็จะไม่สงบพอใจไม่สงบมันก็จะไม่มีความสุขเราก็ต้องมาพยายาม ทำใจให้หยุดคิดให้ได้วิธีที่จะหยุดคิดเราก็ต้องใช้อุบายวิธีที่พระพุทธเจ้าทรงสอนเช่นท่านสอนให้เราสวดมนต์ไปก่อนก็ได้อย่าไปคิดเรื่องอะไรให้คิดแต่บทสวดมนต์ไปคิดอรหังสัมมาสวาัสขาโตสุปฏิปันโนถ้าเราคิดอย่างนี้ไปได้เรื่อยเราก็จะไม่มีโอกาสที่จะคิดเรื่องอื่น พอเราไม่คิดเรื่องอื่นต่อไปใจมันก็จะหยุดคิดเพราะการคิดบทสวดมนต์นี้ไม่ทําให้ใจคิดไปอย่างต่อเนื่องมันจะทําให้ใจอยากจะหยุดคิดพอเราสวดมนต์ไปสักระยะหนึ่งแล้วเราก็อยากจะรู้สึกว่าเอออยากจะอยู่เฉยๆล้วก็หยุดคิดได้พอเราหยุดคิดใจของเราก็จะมีความสุขมีความสบายขึ้นม า, ท, าทันที แต่เราต้องพยายามสวดมนต์อยู่เรื่อยๆไม่ใช่เฉพาะเวลาเช้าเย็นเท่านั้นความจริงเราควรสวดทั้งวันเลยไม่ว่าเราทําอะไรอยู่อย่าปล่อยให้ใจคิดเรื่อยเปื่อยคิดเรื่องที่ไม่จําเป็นให้เรามาคิดบทสวดมนต์แทนสวดไปเรื่อยๆใน ใ, นใจของเราแล้วใจของเราจะมีความเย็นมีความสบาย จะไม่ค่อยหิวไม่ค่อยอยากจะไม่มีอารมณ์กับสิ่งต่างๆเห็นอะไรก็จะรู้สึกเฉยๆไม่ไม่รักไม่ชังไม่โลภไม่โกรธเพราะว่าใจมีบทสวดมนต์คอยรักษาไว้ไม่ให้ไปรักไปชังนั่นเองถ้าเราไม่มีบทสวดมนต์ไว้แล้วพอเห็นอะไรใจจะคิดขึ้นมาทันที จะรักขึ้นมา ท, าทันทีจะชังขึ้นมา ท, าทันทีแล้วแต่ว่าสิ่งที่เห็นนั้นเป็นสิ่งที่น่ายินดีหรือน่าเกลียดนั่นเองถ้าน่ายินดีก็จะรักถ้าน่าเกลียดก็จะโกรธจะชังขึ้นมา ท, าทันทีแต่ถ้าเรามีส่วนมีบทสวดมนตอยู่ภายในใจของเราไปเรื่อยๆแล้วมันก็จะไม่มีโอกาสที่จะไปรักไปชังไปโกรธไปเกลียดได้ ใจของเราก็จะเย็นจะสบายไม่ว่าสิ่งที่เราจะเห็นนั้นเราจะชอบหรือไม่ชอบก็ตามมันจะไม่ทำให้เราเกิดอารมณ์ว่าวุ่นขุ่นหัวขึ้นมาถ้าเราสามารถสวดมนต์ได้ทั้งวันแล้วเวลาที่เราอยู่คนเดียวเราสั่งให้ใจหยุดคิดมันก็จะหยุดคิดได้ ท, ทันทีแล้วมันก็จะมีความสุขมันจะได้มันไม่ต้องไปหาความสุขจาก สิ่งต่างๆภายนอกอีกต่อไปนี่แหละคือความสุขที่แท้จริงทรัพย์ที่แท้จริงสมบัติที่แท้จริงก็คือใจที่สงบนี้เองคือความสงบสุขของใจนี่แหละขอให้เราพยายามสร้างมันขึ้นมาเถอะพระพุทธเจ้าได้สร้างขึ้นมาแล้วได้มีแล้วและได้อยู่อย่างสุขไปตลอดพระองค์จึงได้นำเอาความสุขนี้เอาทรัพย์ที่แท้จริงนี้ มาเผยแผ่ให้กับพวกเราด้วยการสอนให้พวกเราทําความดีละบาปําระใจของเราอยู่อย่างสมอเสมอด้วยการเสียสละตัดความสุขภายนอกสละทรัพย์ภายนอกแล้วก็มาสวดมนต์ทำใจของเราให้สงบอยู่ตลอดเวลาแล้วเราจะอยู่อย่างร่มเย็นเป็นสุข ไม่มีความทุกข์ความกังวลใจไม่ต้องห่วงไม่ต้องห่วงไม่ต้องเสียออกเสียใจเวลาที่จะต้องสูญเสียทรัพย์หรือความสุขต่างๆไปเพราะทรัพย์ภายในใจความสุขภายในใจนี้จะอยู่กับเราไปตลอดถึงแม้ร่างกายนี้จะแตกดับไปทรัพย์และความสุขที่มีอยู่ภายในใจก็ยังอยู่กับใจต่อไปจึงขอฝาก เรื่องของการมาวัดเพื่อมาสร้างความสุขที่แท้จริงสร้างความสมบัติที่แท้จริงคือสุขภายในใจและทรัพย์ภายในใจนี้ให้ท่านได้ไปพิจิตพิจารณาและปฏิบัติเพื่อประโยชน์สุดที่จะตามมาต่อไปการแสดงก็เห็นว่าสมควรแก่เวลา